เรื่องตุ้มแห่งกจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์ช่วงเคสสตดดี้จ้าลูกผู้ชายไม่มีโอกาสได้สมบัติ มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษานิมมาไกลทีเดียวลูกเป็นนักเรียนอุบาลฝันน้ฝั น, นวิทยาเกิดที่จังหวัดนครมนมในครอบครัวชาวนาเจ้าค่ะกระดูกสันหลังของโลกมีพี่น้อง8ดคนตัวลูกเป็นคนที่หนึ่งโลกชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆสมัยนั้นไม่มีนาฬิกา ใช้การฟังเสียงไก่แทนเฮ้ยเขาท่าเนะาะเพราะไก่ขันครั้งแรกก็แปลว่าต้องให้ลูกไปตำข้าวครั้งที่สองก็ไปทํานาเฮ้ยมีงี้เมื่อกันนะอย่างเงี้นั่งเห็นรัวเพล่าไงลูกนึกว่าชีวิตเกิดมามีแค่นี้เองคือทําไรทาํทานาอมนาคิดเมืออกันนะพราบเลยเห็นอย่างนั้น หรือโตแล้วก็แต่งงานเลี้ย ง, ล, งลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายเดี๋ยวก็นี้ตายเดี๋ยวก็นั้นตายมีมีอะไรดีกว่านี้หรือลูกนึกไปนึกม <laughs> าลูกจริงอยากบวชท่าเนี้ยเปะนใครนี่ไม่อยากบวชให้ไปเป็นอย่างนี้ก่อนจะได้นึกออกพราะอยากพบความสุขอย่างแม่ชีที่เคยได้ดูในหนังท่านจะนั่งนิ่งสงบอย่างมีความสุข แต่ลูกไม่รู้หนทางว่าทําอย่างไรจะให้มีความสุขที่แท้จริงได้แปลว่าทุกคนปรารถนาความสุขที่แท้จริงแต่ไม่รู้จะทําทอย่างไรจกนกระทั่งได้มารู้จักวัระธรรมกายอืชีวิตของโลกก็ได้พบหนทางการดําเนินชีวิตที่มีความสุขเดี๋ยวนี้ลูกมีกําลังใจสร้างบุญมีอย่างไม่รู้เบื่อไหนและอยากจะรู้ความเป็นไปของคนในครอบครัวขอ ง, งลูกและตัวลูกเองจึงรีบส่งเชตตาดีมาเลยเนี่ยอื พ่อของลูกเคยบวชเป็นพระอยู่สี่ห้าพรรษาแต่ภายหลังลาศิกขามาเพื่อเพราะสอบนักธรรมไม่ผ่านก็ไปสอบบาลีแทนที่เจ้าคงจะอายกลัวคนจะรู้ว่าสอบตกหรือเป็นเพราะเหตุใดโลกก็สุดจะคาดดาวได้แต่ว่ามอศึกออกมาแล้วพ่อก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม, มาเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวแล้ว พ่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนนับถือมากเพราะพ่อเป็นคนใจดีซื่อสัตย์และชอบช่วยเหลือคนศึกได้ไม่นานพ่อก็ได้มารู้จักกับแม่แรกแรกแม่ก็ไม่ชอบพ่อเลยอ๊ยังไนในหนังเนาะยังไงในละครเลยเพราะแม่ก็มีแฟนอยู่แล้วอืเหมือนละครทีวีเลยอีกทั้งตอนนั้นแม่ก็ยุได้เพียงสิบหกปีแต่พ่อเหรอ จะยอมแพ <Please. S 1> ม้ไม่ละความวิายาม <Okay. S 1> โดยศัก์ศรีของผู้ใหญ่บ้านอ <laughs> <laughs> ช้ผู้เฒ่าเนี่ย <laughs> และความรักที่พ่อมีแก่แม่ <Okay. S 1> พ่อจึงไม่พูดพร่ามดังเพลง <Okay. S 1> ยกขันหมากไปสู่ขอแม่ทางการทันที oh. <laughs> แม่จึงต้งยอมแต่งรับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามด้วย <Okay. S 1> ผู้ใหญ่ทั้งสามเลยแหละ ทั้งสองฝ่ายและผู้ใหญ่บ้านด้วยพอแต่งงานกันแล้วพ่อก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เลยซึ่งพ่อก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยลเพราะในบูบ้านนั้นมีธรรมเนียมว่าจะไม่ยกสมบัติให้กับลูกผู้ชายต้องให้ลูกผู้ชายไปหาทรัพย์เอาเองเพ<อ>ื่อักษีเงีย <laughs> <laughs> แต่ในความที่พ่อเป็นคนขยันและอดออมจังหาไรายได้ พรที่จะมีเงินเก็บแล้วก็นไปซื้อที่ดินเพื่อทำนาได้แต่ที่ดินสมัยนั้นมีแต่ป่ารกมากลูกจำได้ว่าเมื่อตอนอายุได้สามขวบพ่อเอาลูกขี่คอไปทางป่าทุกวันแต่พอตัวลูกอายุได้สี่ขวบพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะความยากจนลรวก็แยกกันอยู่ตอนเย็นลูกก็ไปนอนกับพ่อตอนเช้าก็ไปหาแม่ กลับบ้านอยู่ไม่ไกลกันแม่สงสารลูกจึงกลับไปอยู่กับพ่อตามเดิมทามให้คุณตาโกรธแม่มากที่กลับไปคืนดีกับพ่อตาเลยไม่ให้มรดกแม่สักอย่า ง, งทั้งที่ตามมีลูกสาวเพียงคนเดียวคือแม่และตาก็รักแม่มากพ่อและแม่จึงไม่ได้มรดกทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทั้งฝ่ายปู่ย่าและฝ่ายตายายเลย oh. นี่ มหาตุกตาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นมหาตุกตะผู้ใจบุญและเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในปีหนึ่งพศ151617ขณะที่เรายุติยี่สิกว่าปีตอนนั้นเป็นยุคที่ลถที่เปลี่ยนแปลงการปรคกครองกําลังรุ่งเรืองในป่าที่ครอบครองลูกอาศัยอยู่นั้นที่นครปนม มีผู้ติดต้องการเปลี่ยนการปกครองอาศัยอยู่มากมายคร อ, อบครัวของลูกกระด็ดสมัครใจเป็นฝ่ายนั้นด้วยยกเว้นน้องสาวคนที่สองอวันหนึ่งทางทหารกำบ้านเมืองวิ่งหลายฝ่ายเปลี่ยนการปกครองจากในป่าลงมาในน า, นาขณะนั้นพวกเรากําลังนั่งกินข้าวกันอยู่ฝ่ายที่ถูกไล่วิ่งตรงมาที่ลูกและบอกว่าผมโดนยิงที่ขาไปไม่ได้แล้วลูกก็คิดจะเข้าไปประครองเขาด้วยความสงสาร แต่พอเห็นพ่อล้มลงลูกนึกว่าพ่อโดนปืนจึงเปลี่ยนใจทิ้งคนถูกยิงวิ่งไปประคองพ่อขึ้นมาในมือพ่อหิ้วปินโตกับกระแป้งที่ใช้ใส่น้ํามาด้วยปินโตกับกระแป้งโดนลูกปืนยิงพลุนไปเลยเจ้าค่ะเสียงปืนสนามนั้นไหวจะลูกนึกว่าเราตายกันหมดทั้งครอบครัวแล้วเสียงน้องร้องไห้วิ่งตามหลังมาแต่ ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ควายของลูกก็ไม่เป็นไรแต่ควายเพื่อนบ้านโดนยิงบาดเจ็บพอ่อบอกว่าเทวดารักษาเราเราจึงไม่เป็นอะไรจบข่าวโอ้โหเขาท้า <laughs> จบข่าวเลยเนี่ย <Montreal. S 1> <laughs> แต่แล้ววันหนึ่งแม้ว่าครอบครัวเร า, ร า, ราจะอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนการปกครอง แต่เขากเกิดความระแวงขึ้นมาจึงคิดว่าจะฆ่าเราทั้งครอบครัวเพราะเขาคิดว่าเราเอาทหารฝ่ายบ้านเมืองไปล้อมเขา mm hmm. พอดีพวกเรารู้ก่อน mm hmm. พอจึงรีบเหมารถพาลูกๆหนีออกจากหมู่บ้าน mm hmm. ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนกับพ่อที่จังหวัดกําแพงเพชรเ <Yeah. S 1> หลือแต่น้องสาวคนที่สองที่แต่างงานแล้วไม่ได้ไปด้วยเพราะเขาอยู่ฝ่ายบ้านเมือง mm hmm. ขณะอยู่ที่กําแพงเพชรพ่อก็ได้ไปเช่าทีนาของชาวบ้านเอาไว้ปลูกข้าวป mm hmm. ลกูกพัก mm hmm. เอาไว้ เลี้ยงครอบครัวเลื่อยมาวันหนึ่งแม่ปวดท้องมากบอกให้ลูกๆผลัดกันเยยบเยียบเท่าไรก็ไม่หายพอจึงได้พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลอยู่ได้มีกี่วันแม่ก็เสียชีวิตเดยที่หมอเองก็ไปาบสาเหตุโราอายุได้48ปีพวกเราอยู่ที่กำแพงเพชรได้3ปีและงจะนั้นพ่อจึงพาครอบครัวย้ายกลับไปที่นครปนมอีกโดยไปอยู่กับน้องสองลูกคนที่ไม่ได้หนีมาด้วย ส่วนตัวพ่อนั้นต้องไปหลบอยู่ตามวัดในจังหวัดสกลนครยังกลับบ้านไม่ได้เพราะเขาจะค่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วพ่อก็กลับไปอยู่ที่นครพนมและเสียชีวิตโดยการหลับตายไปเฉยๆตอ น, นอายุได้60สบปีน้องชายคนสะท้อ็เกิดเมื่อปีหนึ่งห้าขณะที่มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายเปลี่ยนการปกครอง เอาเกิดมาพร้อมกับมีแผลเป็นที่ใต้ใ น, นาอกฝั่งซ้ายพออธิบายเห็แผลเป็นก็รู้ทันทีเลยว่าคงจะเป็นคนเก่ากลับชาติมาเกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครป้าที่ทำคลอดเลยสั่งว่าอย่าให้ไฟไม่พาอ้อมนะเพราะถ้าไฟไม่พาอ้อมแล้วเด็กจะจำความไม่ได้พอเขาเยุะได้ประมาณสองขวบ เริ่มพูดได้บ้างเขาก็ร้องอยากจะไปแต่บ้านลุงออซึ่งเป็นพี่ช้างพ่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันออแม่จึงได้อุ้มพาไปที่บ้านลุงพอเจอหน้าลุงและป้าเขาก็เรียกลุงป้าว่าพ่อแม่ออแต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นลูกช้างลุงป้าที่กลับชาติมาเกิด เ, ออเขาจึงพาไปดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้คือต้นมะขามออแลวพาไปดูเสื้อผ้าที่อยูดในตู้เขา ไปจับเสื้อลายสก๊อตที่เขาเคยใส่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงกับตะลึงนี่เราเจออย่างนี้มาหลายเคสแล้วนะจ๊ะพราะเขาพูดถูกหมดทุกอย่างโดยเฉพาะป้าทึ่ถูก เ, เรียกว่าแม่ถึงก็ปล่อยโฮน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้กลับมาเกิดใหม่เขาเล่าถึงอดีตเจติของตัวเองว่าไม่ใช่แล้ว ได้เป็นลูกชายของลุงซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายเปลี่ยนการปกครอง<ม>เขาถูกทหารฝ่ายบ้านเมืองยิงตายที่ทุง่งนา<ม>ซึ่งแต่แรกที่เขาโดนทหารหยิงเขาได้แกล้งทํำเป็นตายเพื่อให้ทหารตายใจ<ม>พอทหารเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็ได้ใช้ปืนยิงทหารตายไปสองนาย<อ>จากนั้นตัวเขาจึางโดนทหารที่อยู่ใกล้ๆเรือ น, นั้นยิงตายเชย่นกันก่อนจะขาดใจ ต, ตายได้ร้องเรียกหาพ่อกับแม่จนสิ้นใจ ชาตินั้นเขามีภรรยาและลูกหญิงหนึ่งคนตอนที่ครอบครัวของเราย้ายไปอยู่กำแพงเพชรใหม่นี่เห็นไหมชีวิตในสังสารวัตนี่มัน mm hmm. ก็อย่างเงี้ยวนเวียนปัดเปลี่ยนกันไปเกิดปเป็นโนมนีกัน mm hmm. เขายังได้ลำพึงว่าคิดถึงลูกและภรรยาที่อยู่จังหวัดนครมณนมว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันยังเลย mm hmm. พอเวลาได้เจอภรรยาในอดีตชาติทีไรพอเจอเขาจริงๆ mm hmm. เขากับเขิน ทำถ้าอายภรรยาก็แกล้งบอกว่าจะแต่งงานใหม่แล้วนะนเขาก็บอกว่าโน no. ห้ามแต่งงานใหม่นะนขอร้องเถอะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงทีทท่ที่ขอร้องนะห้ามบอกใครเด็ดขาดคือเรื่องที่ฉันรักเธอเนะน่ยอย่าบอกใครนะนเพราะตอนนี้อย่าลืมสองขวบกว่ากับอดีตภรรยาเนะึ่ย แต่ปัจจุบันนี้โตแล้วน้องชายเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ที่จังหวัดนครพน ม, มชาตนั้นอยู่ฝ่ายตรงข้ามชานิยงอยู่ฝ่ายเดียวกันเลย <c oughs> เออชีวิตในสังสารวัตนี่เนอะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับคบใครนะครบคนไหนก็เป็นเช่นนั้นแหละ <c oughs> แล้วก็เคยมระวัธรรมธายาลุนที่17แต่เดิมอยู่คนละฝ่าย มาชาตินี้อยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วมาโบถธทรมัพชายญาติรุ่นที่17เจปีสองห้าสามสองตอนนี้เขาจำเรื่องราวในอดีตไปได้แล้วแหละลืมไปแล้วแต่ภรรยาในอดีตก็จะให้ความเคารพเหมือนเดิ ม, อ, มอย่าบอกใครนะเพราะตอนลูกสาวในอดีตจะแต่งงานเขายังมาเชิญนน้องชายของลูกไปเป็นเท่าแก่ในธนพ่อตาอือโอ้ อะไรยังนาดนั้นน่ะแต่เขาไม่ไปเพราะอายคนอีกทั้งตัวเขาเองอายุน้อยกว่าลูกสาวเนี่ยอดีตเาขามาเกิดคนาชาติกันแล้วนี่ตัวเขาเองนะ่ะอายุตอนนั้นสาปีลูกสาวอายุ35มสิบหปีส่วนพระยายในเดียอายุ61ปีตัวตัวเองตัวเองหกหนึ่งแล้วนะี่ยเขาว่าตัวใครตัวมันดีกว่า โอ้อะไรจะขนาดนั uh, ้นต <moi> ัวเองเน่หกหนึ่งแล้วตัวเขาสามสามเพราะนั้นตัวใครตัวมันลูกเดิไปติจานทําทำให้น้องทุกคนเลยค่ะปีส5 4หสี่เจ็ก็มาวัดกันทั้งครอบครัวค่ะน้องสาคนที่สองเป็นผู้นำบุญพาคนมาวัดตอนนั้นเป็นข่าวเคยจัดรันํำคนมาร่วมบุญที่วัดถึงเจ็ดปดคันสามีของเขาดื่มเหล้าจะเป็นมะเร็งตับตายอืม ปัจจุบันตั้งอยู่กับลูกชายหนังคนซึ่งเป็นใบ้่พอบานก็มาอยู่นะ oh. <laughs> โอ้อมิตรพะ <Yeah. S 1> ล้านชาย <Yeah. S 1> แต่เป็นใบ้่งแกก็ <Yeah. S 1> โอเคอยู่ได้ไม่ต้องทะเลาะ ก, กัน <Yeah. S 1> <laughs> ฟังอย่างเดียว <laughs> <laughs> <laughs> ล้านชาย <laughs> เป็นบุตรของน้องสาวคนที่สามเมื่อเขาอายุได้1 2บ3สาปีเป็นเด็กดี มาบวชวะธรรมทายาทรุ่นห้าหกรุ่นห้าขะรุ่นหกกลับไปก็เรียนเก่งแต่พอเป็นวัยรุ่นก็คบพื่นพากันดื่มเหล้าติดยาดมกาวไปทาเรื่องราวชกไตทตเลาะอิวาดเล่นพ น, นันแม่ของหลานน้องสาวงลูกต้องน้ำตาตกทุกวันเพราะมีลูกคบคนพานอย่างเงี้ย ช้ำใจเนี่ยจนคิดฆ่าตัวตายตั้งหลายครั้งโอ้ oh. oh, ลูกคนไหนทาให้พ่อแม่คิดฆ่าตัวตายนี่บาปนะ mm hmm. ช้ำใจคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งตั้งตาไปจ่ายเงินค่าจำคุนเอาชนะไปประกันสู้คดีความ mm hmm. อย่างนี้ก็ไม่เรียกลูกเขาเรียกลากคือลากพ่อลากแม่ไปที่ศาลไปลงพักไปเล่กนการบัาไดเขาเรียกลอก อลอกสมบัติพ่อแม่หมดเลยเออแต่พอยุดิยีบสามปีเขาได้มากลุ่มเทพกับเพื่อนผ่านวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกา ย, กายทำให้นึกถึงหลวงปู่เราเคยบทเนนช่วงสัน้น เ, เขาจึงชวนเพื่อนแวะกราบขอพรหลวงปู่คุม้มครองแล้วก็ไปเยี่ยมป้าคือตัวลูกเองที่วัดด้วยพอมาถึงเจอหน้ากัน ลูกก็ไปพูดพาดทงเพลงคว้ามือพาเข้าๆโรงเรียนอุบาลฝันดีฝันทันทีเขาเรียนคืนแรก <laughs> กระเจหลงพ่อ <laughs> เตะเล่าขุมห้า <laughs> มหานรกเลย <laughs> บุญของเขาเขาฟังหลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรมฟังไปก็ร้องไห้ไป <c oughs> คือพื้นฐานฐานใจเป็นคนดี <c oughs> เป็นคนดีแต่วิบากกรรมครบคนพานย่ย ผ่านพานไปหาผิดลูงช้าเขากราบลูกบอกว่าผมกลัวถกนรกหักดิบเลิกดื่มทันทีเลยคำถามทำไมพ่อของลูกจะไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมลูกชายให้ไปหาทรัพย์เอง <c oughs> จึงไม่ได้มรดกของปู่ย่า <c oughs> พอแต่ ง, งานกับแม่ตายายก็มาให้มรดกเพราะโกรธแม่อีก <c oughs> พอแล้วแม่มีกรรมใดจึงไม่ได้มรดกทั้งจากปู่ย่าและตายายเลย พอมีกรรมบารายยิงตั้งหลบนี้ฝ่ายเปลี่ยนการปกครองที่จ้องจะฆ่าพ่อพ่อตายแล้วไปไหนคะเดี๋ยวรับบนทุกบุนที่หลกอุทิศไปให้หรือไม่คุณแม่ตายด้วยกรรมะารคะทำไมหมอหาสาเหตุไม่พบแม่ตายแล้วไปไหนคะเดีวรับบนทุกบุนที่หลกอุทิศไปให้หรือไม่ วันที่พ่อถูกยิงจนมินโตกับกระแปงถูกลูกปืนยิงปรุนแต่พ่อแม่และควายของพ่อปลอดภัยเป็นเพราะมีเทวดารักษาหรือบุญใดคะน้องจากลูกเป็นลูกของลุงที่กลับมาชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะถ้าใช่การตายในชาติถิ่แล้วเขารู้สึกอย่างไรมีกตินิมิตอย่างไรบุญกรรมใดดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อแม่งลูก มันไปเกิดกับพ่อแม่เดิมของเขาทั้งทงที่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขาฆ่าคนก่อนที่เขาจะตายเนะี่ยก็ฆ่าไปสองศพแต่ทําไมจึงไม่ไปตกนรกลรอคะ เ, ออเขากลับาเกิดใหม่ได้ด้วยสาเหตุใดน่าศึกษานะชาตินี้เขาต้งแก้ไขกรรมที่ทํามาในชาติที่แล้วอย่างไรทําไมแผลจากชาติในอดีตจึงมาปรากฏกับผู้ที่มาเกิดในร่างใหม่ได้ ทั้งทั้งที่เป็นคนละกายกันคะ่ะแผลใต้หัวใจสาวเมีอยองน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่คะวิบากกรรมใดน้องสาวคนที่สองจึงมีลูกเป็นใบ้คะและลูกชายเขาทำำํากรรมใดมาจึงเป็นใบ้คะหลานชายมีบุ ป, ปกรรมมาอย่างไรทําให้ตอนแรกได้บวชช่วงสั้นแต่ภายหลังเราไปคบคนผ่าน เมาโมฆ า, าสติแต่กลับตัวได้เพราะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจากเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพียงชั่วโมงเดียวลูกทกํากรรอะไรมาจะมาเกิดในถิ่นที่บุคคลรอบกันตอนมีชีวิตที่หวาดระแวงภัยแต่เพราะบุญไดช่วงท้ายได้มาอยู่ในบุญในที่ปลอดภัยได้สร้างบุญมีกหมุขมคะต้องประกอบเหตุอย่างไรจึงจะส่งผลนี้ได้มาเกิดในที่ที่ เร่อลมใจและมีความสุขคคงเข็ดแล้วมึง <laughs> เพราะอยู่เดนถิ่นนั้นทำให้ร่างกายแข็งแรง <laughs> ต้องวิ่งเร็ววิ่งแล้วหลบเร็วปลอดภัยเร็วตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันมาอย่างไรคะเคยสร้างบารมีกับหมูคณนะมาอย่างไรปัจจุบันลกรับบุญอยู่ที่หอฉันคุณยายค่ะบุคลากรและพนัก ง, งานที่ทำงานเตรียมอาหารสาหรับถวายพระ อุปถามะและทำความสะอาดที่หอฉันคุนยายจะได้รับอนิสองส์อย่างไรบ้างคะลูกใหญ่ทุกคนอยู่เอาบุญด้วยกันไม่อยากให้ออกไปเจ้าคะ่ะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะได้ครับลับตาฝันเปตวเตาตื่นขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไรฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้า พ่อของลูกทําไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมว่าลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เอาเองจึงไม่ได้มรดกจากปู่ย่าเพราะกำเนิดอดีตที่มีทิ่ถิมานะจึงได้ไปเกิดในบ้านป่าอีกความตระหนี่จึงได้ไปเกิดในครอบครัวชนบทแนไกลตั้งหาทรัพย์เอาเองอีกทั้งในอดีตเคยมีทัศนคติว่าลูกผู้ชาให้ไปหาทรัพย์เองดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอบ้างจ้ะ มีศักดิ์ศรีแต่พอดีทำตรณนีด้วยหาอะไรก็บอกคอยจะเจอแต่ถ้าหากว่ามีกติอย่างนี้รูปใจไปหาทรัพย์เองนี่ไม่มีปัญหาหลังจะมีกติอย่างนี้แต่ตั้งสร้างทานบารมีด้วยไปหาแล้วจริงจะเจอทรัพย์แต่ถ้าหาก็มีความตรณนีในชาตินั้นและเกิดมีศักดิ์ศรีอย่างนี้กับเป็นอย่างนี้แหละอดอดต้องทนเอา ต้งอตงทนนะ <_ uff> แต่ถ้าทนแล้วไม่อดก็พอจะอดได้แ <_ uff> ต่ทนแล้วอดจะไม่อดเลย <_ uff> <_ uff> ทําทานดีกว่า <_ uff> จะได้ไม่ต้องอด <_ uff> พ่อแต่งงานกับแม่ตา ย, ยายก็ไม่ให้มารดกแม่อีกเนื่องจากโกรธแม่เพราะแม่ก็มีกรรมคล้ายพ่อคือเคยดื้อพ่อแม่เมื่อท่านสั่งสอนให้ทําความดี กับที่สําคัญคือมีความตระันนะีเห็นไหมจริงทําให้ไม่มีบุญรองรับสมบัติของตายายได้<อ>ทําให้ตายาย<อ>แม้มีลูกสาวคนเดียวก็<อ>ไม่มีอารมณ์จะให้<อ>ความตระนนีนี่เห็นไหมจ้ะร้ายมากทีเดียวอย่าตระนนีเลยห่วงคือไล่ให้คือเรียกทรัพย์ห่วงคือไล่ทรัพย์พ่อตั้งหลบนี้ฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเพราะกลัวถูกฆ่ากรรม เนื่องจากกรรมครบคนภายในอดีตและปัจจุบันโดยในอดีตพ่อได้เป็นทาหารและได้เข้ากับพวกก่อการขบฏโดยในชาตินั้นฝ่ายก่อการขบฏพ่ายแพ้ตัวท่านเลยหลบหนีไปก่อนจึงเป็นผังเดิมติดตัวมาทําซ้ําอีกในชาตินี้จ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะเรื่องวิบากกรรมนี่มันมันซ้ําซ้อนคือสิ่งที่ทําไว้ล้วนแต่ถูกเซตโปรแกรมถ้าได้ช่องมาเล่ เป็นเิดทำงานขึ้นมาอย่างนี้มันซับซ้อนมากเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ศึกษาไม่ได้เลยเดี๋ยวทำไม่ถูกพ่อตายแล้วก็ไปเป็นผุมมัเทวาระดับ ก, ากลางๆมีบ้านเล็กๆคล้ายกระต๊บอยู่ด้วยบุญที่เคยบวชตามประเพณีมารยะหนึ่งและบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่บ้าง อิทมีกรรมหลายอย่างทำให้ดวงจิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรจะ<อ>มาไดอา้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะแต่รับบนที่รูที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะหมอหาสาเหตุโรคของแม่ไม่เจอและการบางนติบาต่เคยทำแท้งและช่วยคนอื่นทำแท้งโดยใช้เท้าเหยียบท้องจนเด็กกลายเป็นก้อนเลือด ก็เลือดแล้วไหลออกมาอีกทั้งมีอยู่ลายหนึ่งได้ใช้เท้าเหยียบท้องทำให้แม่และเด็กในท้องตายด้วยกันทั้งคู่ <Word. S 1> มีบากกรรมต่งางมาส่งผลใี้หมอหาสาเหตุโรคไม่เจอแล้วก็หมดอายุไข่ด้วย oh. ตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งไม่ได้รับบุญเทวดาไปให้แล้วก็หมดกรรมจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนีไ้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไอ้กลับมาแก้ไขตัวเอง วันที่พ่อถูกยิงจนเป็นโตกับกระแป้งถูกยิงยนพลุนแต่พ่อและควายไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครจึงไม่ตายอันนี้อันเดียวถึงไม่เคยฆ่าใครก็ใครว่าฆ่าไม่ตายแต่ไม่มีเทวดาองค์ใดมารักษาจ้น้องช้างลูกเป็นลูกของลุง ก, กับชาติมาเกิดนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงจ้ะ โดยในชาตินั้นก็ยังไม่อยากตายเมื่อโดนยิงแล้วเนะี่ยอยากเจอหน้าพ่อแม่ใจจดจ่องงินแล้วก็มีบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จึงทำให้กลับมาเกิดเมื่อเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทั้งทั้งที่ฆ่าคนตายจ้ะบุญบวชอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหาสนลัลอกบุญบวชนี่เห็นมปิดอบายเนี่ยขนาดบวชไปเง้นๆนะตามประเพณีเนี่ย ยังคมได้เพราะนั้นควรบวชไหมควรบวชบวชแล้วก็ต้องบมเพ็ญสมณธรรมจะดีกว่านี้ที่มาเกิดกับพ่อแม่ลูกแทนที่จะไปเกิดกับพ่อแม่เดิมเพราะมีบุญกรรมเสมอกับพ่อแม่ของลูกโดยเมื่อถูกยิงตายใหม่ๆกายลียกกเดินโซซัสโซเซมาเจอพ่อของลูก กาลียดนั่นก็เดินก็ไปขอความช่วยเหลือพยายามเรียกพยายามสะกิดพ่อพยามกขมาจับตัวและขย่าตัวพ่อแต่พ่อไม่รู้เรื่องเป็นกาลียดก็ทําอะไรไม่ได้จังหวะนั้นพอดีถูกดูดบูกไปสู่ท้องพ่อของลูกถูกดูดไปเลยแต่จังหวะมันพอดีเลยกรรมเสมอกันมูวูตเข้าไปแล้วเออน่าศึกษานอะ เนี่แมต้องติดจานดาวทำดีเอมซีก่อนเขาตายเขาได้ฆ่าคนแต่ไม่ตกหนรกเพราะบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จ้ะชานนี้เป็นนำรวยกายสังสมบุญทุบุญทั้ทงทานสีภาวนาไว้ให้ดีให้มากมากแล้วติดฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนั้นกล่าวจ้ะตะเวนชายแดนดิถินเดิม แผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งๆแต่เป็นแผลาจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นก็มีสาเหตุหลายอย่างเอาเฉพาะเรื่องของน้องชายเพราะมันเดี๋ยวเรื่องเยอะอาจจพาะเรื่องน้องชายของลูกที่กอลมาเกิดได้ถูกยิงตายแล้วเป็นการละเอียดเมื่อรู้สึกใหม่ที่กายละเอียดกรรมบานาธิบาทยกๆตัว น, นั้นน่ยยิงทหารตายไปสอนาย ก็ส่งผลในกายเอียดยังมีแผลอยู่โอบาดเจ็บถึงเดินโซซัตโซเซไงยังมีแผลอย่างนั้นกรรมานิบาทยกๆเนี่ยส่งผลให้เลือดไหลมีทุกเวทนาคล้ายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินโซเซไปเจอพ่อเพื่อให้ช่วยดังกล่าวแล้วก็ถูกดูดบูกเข้าไปในท้องพ่อ เมื่อเกิดใหม่ใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรมปานาธิบตัติใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรมปาน า, าติบัติจึงส่งผลได้มีแผลเป็นตําแหน่งเดียวกันแม้คนละล่างกันจะเพราะฉะนั้นส อ, ออสองเคสของน้องชายนี้เกิดด้เหตุสองประการคือหนึกรปนาติบาตแล้วก็สัญญาก่อน ย่ไาไคาความผูกพันในภพเก่าที่โดนยิงกำลังอะไรต่างๆนั้นนะล้กกรรมปฏิบัติยิงเขาแล้วก็โดนเขายิงนเนะี่ยยังติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะโดนเขายิงกับยิงโดนเขาตายนะทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นเออน้าศึกษาเนอะมีบากกรรมซับต้อนนี่ไม่น่าจะเป็นบททดสอบของใครหรอกแต่พาอไม่รู้ก็เลยพูดปลอบใจกันไปงั้นก่อน และห้ามถามด้วย ม, มันตอบไม่ได้นะเห็นใจเมื่งนันแหละมันเห็นใจว่ามันยังไม่มี DMC ตอนนั้นือเห็นใจหลยมันก็ต้องพูดกันไปก่อนมันต้องปลอบใจมัง่งแล้วก็อย่ามาแซวซี้อะไรมาอมันไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีไปบางแห่งห้ามเงยหนะ้าเข้าไปใ น, นาศาสนาสารบางแห่งห้ามเงยหนะ้าเงยแล้วตาจะบอด แต่บางคนไม่เชื่อเงยไปอ้าว <Hey. S 1> เจอรูปพระพุทธเจ้าวัน uh. นั้นก็ไม่เห็นตาบอดกันทั้งบัดนี้ <Okay. S 1> เออแปลกเนาะ mm hmm. สามีาน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายพระ mm hmm. ช่ในอ ด, ดีตและปัจจุบันเลยค่ะสัตว์ตมหารและทํากับแกล้มดื่มสุรา <Yeah. S 1> ทำกับแกล้มดื่มดื่มสุราด้วยได้มาร่วมส่งผลให้เป็นมะเร็งตับตาย <Yeah. S 1> ตายแล้วก็ไปทันทีเลยสามีาน้องสาวคนที่สองไปทันทีเลย ดำดิงไปมาหาดแล้วขุมหา้าทันทีได้กรมดื่มสุรากำลังถูดนายนริบากลกรากน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ <c oughs> มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ถ้าทำบุญที่ไปให้บุญก็จะไปรอคอยที่ยมมโลกนี่อีกหกพันล้านล้านปีนั่นแหละก็จะมารับบุญได้ <c oughs> น้องสาวคนที่สองมีลูกเป็นใบเพราะชาเดชดีเคยแช่งลูกใเป็นใบ อ่าแม่แม่โดยชาติในอดีตลูกคนนี้ก็ได้เป็นแม่ลูกกันกับ น, น้องสาวคนที่สองเนี่ยเห<อ>มือนชาติได้เป็นแม่ลูกกันแต่ลูกคนนี้ในชาตินั้นชอบเถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆถ<อ>ึงทําให้แม่โกรธมากไม่ชอบไปเถียงแล้วก็แช่งให้เป็นใบ<อ>ชาตินี้มาเจอกันเนี่ยมาเป็นแม่ลูกกันอีกโดยตัวลูก ก็มาเป็นใบตัวแม่ก็มาเลี้ยงลูกใบจ้ะ<อ>ก็สมปรารถนาของแม่<อ>คือไม่ได้ลูกเถียง<อ>ลูกไปเถียงแม่เลยชานี้รัก<อ>กรรมของลูกก็มาเป็นใบ<อ>แต่แม่ก็สมปรารถนาได้เลี้ยงลูกใบ<อ>ไม่มีลูกเถียงตัวหลานชายบวชได้ช่วงสั้นเวลาสิกษาแล้วก็ไปครบคนพานโมเมาขาดสติ แต่กลับตัวได้ในภายหลังบาเรียนรู้กฎแห่งกรรมจากโรงเรียนนุบานฝันในฝันวิยาแค่เพียงชั่วโมงเดียวเพราะแม่ดีเคยสร้างบารมีกัมมูขะนามาแต่บางชาติก็ไปคบคนผ่านสร้างบารมีกัมมูขนามาแล้วแต่ว่าบางชาติก็ไปคบคนผ่านฝั่งนี้จึงติดตัวมาให้เข้าสู่วงจรแห่งคนผ่านอีกแต่บุญที่เคยสร้างกัมมูขะนามาก็ดึงดูให้มาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้มีเหตุให้มาเรียนรู้ และสา ม, มารถกลับเนื้อกับตัวได้อย่างรวดเร็วจ้ะลูกระเกิดในทินที่ผู้คนรบกันต้องมีชีวิตที่หวัดระแวงไผ่พระแน่ดีเน่ลูกเคยเป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบได้๋พบรักได้เจ้าชู้ ได้ไวรับบิบารกรรมต่างๆมามากมายแล้วชาตินี้มาเจอแค่เศษกรรม <Okay. S 1> ที่ทามาเกิดในถิ่นที่ปู้คน ล, ลบกันจะเพราะเป็นทหารไปรบกับเขาทําไปบ้านเมือง <Yeah. S 1> เดือดร้อนเพราะฉะนั้นตัวก็เลยต้องมาอยู่ในสถา น, นะตรงนี้บ้าง <Yeah. S 1> อย่างนี้ไง <Yeah. S 1> กรรมเจ้าชูก็ให้ทําให้ใหมาเป็นผู้หญิงและเป็นทหารนี่ยออลบกันนี่ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไปยกมือไหว้เขาบอก <Yeah. S 1> ยอมแพ้ซะ <laughs> บอสวัสดีท่านขาวศึกที่รักทั้งหลายปัจจามิตรเราเป็นมิตรกันแต่เป็นป็ัจจาเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมแพ้เราซะดีๆอะไรต่างาผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นต้องลุยกันทุกรูปแบบก็เลยมาเจอทุกรูปแบบบ้างภายหลังได้มามีชีวิตที่ปลอดภัยและได้สร้างบรมีกมูขนะพระบญในชาติหลังๆที่ได้ ก, กลับมาเจอกมุขนะ แล้วก็ได้สร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะชาหลังๆมาเจอหมูนะ่น้นได้สร้างบารมีหมนะู่คะแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้คือเออไม่ต้องอธิษฐานอะไรทําบุญกันแล้วกันนีน็เราก็ทําไปแล้วทําให้เหมือนเรือไม่มีหางเสือเนะวิบากรรมเก่าวก็ได้ช่องเลยมันคอเสีย บ, บอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยคอยแจมอยู่เรื่อยๆดึงโดดไปลําบากก่อน ทำให้กรรมตระนี่กำแรงต่างได้ช่องกรมรมทหารกรรมจะชู้ต่างๆเหล่านั้น<ม>แต่ภายหลังบุญที่ได้เคยสร้างมากระหมูคณะก็ดึงดูดให้กลับมาสร้างบ ร, รมีกระหมูคณะอีกจ้ะจะตั้ประกอบเหตุโดยการสรั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตล้อมกรอบป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่กระแพาะพลังได้ตามมาทานจ้ะอธิษฐานจิตนี้ต้องอธิษฐานให้เป็นนะจ้ะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันและสร้างบรมีกระหมูคณะมา ในลูกเด็เป็นกระไรมิรให้กับหลานชายมาหลายชาติบนที่ทำร่วมกันจึงทำให้รักและผูกพันกันจ้ะแล้วก็เคยสร้างบรงมีกระหมูคณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็ไม่ขอยจาอติฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้กรรมตรรนีตามทันจ้ะลูกแล้วบนที่หอฉันคนใหญ บุคลากรและพนักงานที่เตรียมอาหารถวายพระอุปจาพระและทำความสะอาดหอฉันจะได้อันิสงเอาโดยย่อแล้วกันนะจ๊ะคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติติดตามตัวข้ามพบความชาติจะปิดอบายจะได้ไปสวรรค์จะมีอายุวณนสุขาพระปฏิพานจะรือผังจนได้พบชาติต่อไปก็จะมีชีวิตสมบูรณ์ไม่ลาบากเป็นชาตินี้เป็นต้น ตอนนั้นต้องมาปฏิฐานจิตล้อมกรอบให้ดีทุกๆวันจ้ า, าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและปฏิฐานจิตตามติดไปดูจิตวิริวงศ์บนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์่าได้พลัดกันเลยจ้านีา่ก็เป็นเรื่องราวงแคสัดดีสั้นๆเลจ้า